หลวงพ่อก็ย้ำเตือนก็ะ่าศรัทธาญาติโยมโลูกหลานผู้ที่มาเนี่ยก็คงจะไม่ซ้ำนากันผู้ที่มาคาวก่อนปีที่ก่อนก็คงจะมีแล้วก็มาปีนี้ก็คงจะปีใหม่เป็นคนใหม่เข้ามาเพราะนั้นหลวงพ่อจะจะย้ำเตือนเกี่ยวกับการเป็นอยู่เรื่อง ก, การวางตัวเราอยู่ในสถานะไหน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 ถูกต้องไหมถูกต้องไหมให้ถามตนเองแล้วลูกหลานก็ต้องถามปู่ย่าตายายของเราทําอย่างนี้ถูกต้องไหมสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราสํานึกอย่างที่หลวงพ่อย้ําแล้วพูดอีกว่าอยากจะให้ลูกหลานดีต้องทําดีให้ลูกหลานดูพ่อก็เหมือนกันพาเห็นลูกเข้ามาหลายๆคนคิดสนุกขึ้นมา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 ที่ตัวเองเย็บไม่ถูกเสียใจอย่างมากออพอสำเนินร้องให้อย่างเสียอกเสียใจอาจารย์ที่สสกผ้าเน่ยเราก็เลยเราเกินไปสียแล้ว เ, เราไม่น่าจะทำอย่างนี้ใครจะอยากจะผิด แ, แต่มันไม่รู้ว่ามันก็ผิดได้เพราะนั่นเราทำเนี่ยมันเกินไปสช่แล้วเอาถ้าเราจะไม่ให้ทำอย่างนี้เราจะไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกต่อไป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 ถ้าโซเฟอร์ออกจากรถคันนี้แล้วนะโซเฟอร์ต้องตกต่ำนะจะไหนไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็นสัตว์ที่รชานได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ฝากไว้กับลูกหลานทุกคนนะอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาขอให้พวกเราทุกๆคนสรุปแล้วก็คือให้คิดดีทดําดีพูดดีถ้าพวกเราคิดดีเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วการกระทําก็เป็น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 แปลว่าสวดสวดมวนต์ข้ามชาติในชะ่ไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกในชาติต่อไปนะอันนั้นเลิศประเสริฐนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดกับคณะสัายาติโยมลูกหลานาต่อเนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรให้พรปีใหม่เนอะคณะสัตายาติโยมให้พรปีใหม่ไปเรื่อยๆแนละ้วจนข้ามปีนะนะั่นแะ